ความสะดวกสบายอย่างหนึ่งของคนในยุคนี้โดยเพราะคนอยู่ในเมืองใหญ่ๆก็คือจะซื้อของอะไรนี่ก็ไม่ต้องไปที่ร้านนะสามารถสั่งได้นะสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือนะอันนี้นก็มีบริการนะหลายเจ้านะ <c oughs> ที่รับส่งนะสินค้าสารพัดนะเรียกว่า d e l i v น e ะ r รี่ มีผู้หญินหนึ่งเนี่ยนะเธอก็สั่งซื้ออาหารแล้วก็พวกขนมก็จำนวนมากพอสมควรสั่งทางกราบนะให้มาส่งที่บ้านคราวนี้ตอนที่รถกราบเนี่ยนะเขากำลังพาสินค้ามาอย่างที่บ้านเธอเนี่ยยังไม่ถึงดี โอนสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเธอมีธุระด่วนต้องออกจากบ้านก็แปลว่าไม่สามารถที่จะรับสินค้านั้นได้แล้วทำยังไงดีหลายคนก็มีปัญหานี้นะสั่งไปแล้วจา่ายเงินไปแล้วแต่ว่ามีธุระต้องออกจากบ้านไม่สามารถที่จะอยู่รับของที่บ้านได้หลายคนก็ใช้วิธียกเลิก c a n c e ลนะ cancel ผ่านแอปเนี่ยซึ่งถ้าทำอย่างงั้นก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าไม่ได้รับของแต่เธอก็เกรงใจนะ Grab นี่เขาก็กำลังเดินทางมาถ้าหากว่ายกเลิกหรือ cancel นะแกรนั่นก็เรียกว่ามาฟรีนะแล้วก็ไม่รู้ใครจะรับผิดชอบ ค่าน้ำมันค่าเสียเวลาเธอคิดแบบนี้เลยรู้สึกเกรงใจนะถ้าจะยกเลิกก็เลยบอกทางพนักงานนะของ g กร็บนะที่กำลังมาถึงนะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วพาะไม่อยู่บ้านแต่เธอบอกมากกว่านั้นนะบอกให้จบงานเลยนะกดจบงานเลย จบงานแปลว่ามาส่งของแล้วแล้วก็เอาของที่ว่าเนี่ยนะเอาไปเลยนะให้ให้ฟรีฟรี free free. นะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดของพนักงาน Delivery นีะ่นะเธอก็รับผิดชอบนะี่ยก็ในเมื่อสั่งแล้วแล้วก็ไม่มารับของก็ยอมเสียเงินส่วนของก็ ให้พนักงานกรับนี่แหละรับไปเลย <c oughs> เพราะว่าพนักงานกราฟก็เขียนข้อความนะมาถึงผู้ยังเนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยติดต่อกันแยเขียนบอกว่าจริงหรือครับให้ผมจริงๆหรือนะมือขอบคุณมากเลยเนี่ยนี่ผมตั้งใจว่าเนี่ยเสร็จงานเนี่ยส่งของเสร็จเนี่ยผมจะ ไปหาซื้อของเป็นของขวัญให้ลูกผมนะวันนี้เป็นวันเกิดลูกนะอยากจะหาของไปให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกพี่ให้ของนี้ผมเนี่ยผมก็จะเอาไปเป็นของขวัญให้กับลูกเลยนะคือเป็นขนม น, นะผมจะเอาขนมเนี่ยไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกนะขอบคุณพี่มากนะขอบคุณจริงๆเลยครับแล้วก็อวยพรใหญ่เลย เนื่องจากน้ำเสียงที่ถ่ายทอดมาทางข้อความเนี่ยในแอปเนี่ยเขามีความสุขเขามีความดีใจมากนะและถ้าทางก็คงจะไม่เคยมีเงินเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยการจะหาซื้อของขวัญให้ลูกเนี่ยก็คงจะซื้อไม่ได้มากแต่พอได้ของที่เป็นขนมนจากลูกค้าคนนี้เนี่ยมันมันมากพอนะที่หรือมันมาก เกินกวที่จะเป็นของความวันเกิดให้กับลูกลก็ดีใจนะว่าวันนี้ได้นะหาของดีๆให้กับลูกสมกับเป็นวันเกิดนะของลูกเพียงนี้แกก็รู้สึกดีใจนะปราบปื้มนะว่าของเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งสําหรับเธอแล้วเนี่ยราคาข้างวัก็ไม่เท่าไหร่แต่มันมีความหมายกับพนัก ง, งานกราฟคนนี้มากนะเธอก็ เขีนะยนชื่นชมนะพนักงานคนนี้นะแล้วก็โพสต์ขึ้นทางไม่รู้ท w i t t e r หรือ a c e b o o k นะว่าไม่น่าเชื่อนะมีคนดูเนี่ยถึงล้านห้าแสนคนนะเพราะว่าเขารู้สึกชื่นชมแล้วก็ยินดีไปกับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นคนมีน้ำใจนะนะ แล้วก็คงมีความสุขที่เห็นว่าความมีน้ําใจเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยนีย่แต่มันมีความหมายต่อพลังงานแกร็บมากเรื่องนี้มันก็ช่อเห็นนะว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยบางครั้งนี่มันมีความหมายมากนะต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งของราคาที่ไม่มากสำหรับเรานะ แต่ว่ามันมีความหมายต่ออีกคนหนึ่งมากกอเรียกว่าความสุขที่ผู้หญิงคนนี้ได้รับนะจากการที่ได้ให้ของมันคุ้มค่ามากเลยนะของราคาอา จ, จะไม่กี่ร้อยแต่ความสุขที่ได้มาจากการสละหรือการให้นี่โอ้มันมีราคามากกว่าเงินที่ว่านี้หลายเท่าทีเดียว แล้วก็มันยังช่วยทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขด้วยนคนที่ได้อ่านข้อความนี้เขาสึกนะว่าโอ้ยินดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในท w i t เตอร์ใน Facebook ม, มีแต่ข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันหรือทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยจัดลงใจช่วยทำให้คนมีความสุข หลายสิ่งหลายอย่างนะั้นที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่แต่มันมีความหมายมากนะอย่างที่เราจนถึงไม่ถึงมีช่างทําผมคนหนึ่งแกเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าโทรมาบอกว่าประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยอยากจะมาทําผมหน่อยเพราะว่ามีงานสําคัญที่จะต้องทําจริงๆเนี่ยเวลานั้นเนี่ยแกมีนัดกับลูกค้าคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ลูกค้าคนนี้บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญก็เลยยอมยอมรับนัด ลูกค้าคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะวัยรัก4ีสิบเกือบห้าสิบแต่งตัวดีเลยแต่หน้าตามหมอหมองระหว่างที่ทำผมเนี่ยนะช่างทมผมก็พูดจาไต่ถามทุกสุขของผู้หญิงคนนี้สัมผัสเรื่มผมอย่างอ่อนโยนแล้วก็พูดชมเยว่าเรือนผมผิวผิวพันเนี่ยสวยนะพูดไปก็ยิ้มนะให้กับลูกค้าคนนี้ พอทำเสร็จนะลูกค้าก็จ่ายเงินแล้วก็ไปวันสองวันต่อมาทางทําผมคนนี้ได้จดหมายจากลูกค้าคนนี้บอกว่าคุณรู้ไหมเนี่ยที่ฉันมาทําผมวันนี้เนี่ยเพราะว่าฉันกําลังจะอําลาชีวิตตัวเองฉันกําลังจะฆ่าตัวตายก็เลยอยากจะทําผมให้มันดีแต่งตัวให้มันดีสําหรับวันสําคัญแต่การที่ ได้รับน้ำใจจากคุณความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อความเมตตาของคุณเนี่ยทำให้ฉันเปลี่ยนใจนะจากเดิมที่รู้สึกชิตนี่มันย่าแย่ขดหูแต่ว่าสิ่งที่คุณทำกับฉันนี่มันทำให้ฉันนี้มีกาลังใจมากเลยรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะทัก็เลยเปลี่ยนใจนะไม่ฆ่าตัวตายก็เลยเขียนมาขอบคุณโอ้ช่างนำรคุณ น, น, นี่ตกใจมากเลยนะว่า ไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอย่างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานี่มันจะมีความหมายถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงคนนี้ได้จากเดิมที่คิดจะค่าตัวตายก็เปลี่ยนมามีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปเพราะว่าได้รับสิ่งดีๆนะจากถ้อยคำและสัมผัสนะของช่างทำผ ม, มคนนี้มันก็ทำให้แกเห็นเลยนะโอ้ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยด้วยน้าใจด้วยความใส่ใจเนี่ยแม้มันจะดูไม่ได้ ยิ่งใหญ่สำหรับเราเลยนะแต่มันมีความหมายนะสำหรับคนบางคนมากถึงกับทำให้อยากจะมีชีวิตต่อไปได้เพราะนั้นความดีนี่เราอย่าประมาทนะแม้เพียงเล็กน้อยมันก็มีคุณค่ามีความสำคัญมาก